นะในหน้ายี่สิเอ็ดกล่าวว่าสภาวะหรือสภาพของปานาติบาตแม้ทั้งหมดเป็นเจตนาอย่างเดียวนะอารมณ์ของปานาติบาตมีสังขารเป็นอารมณ์สังขารในที่นี้หมายถึงชีวิตตินซีนั่นเอง <c oughs> ชีวิตตินซีก็คือที่ใช้คำว่าสังขารเนี่ยเพื่อที่เป็นคำที่ตรงกันข้ามกับคำว่าสัตว์นะ คำว่าสังขารกับคำว่าสัตว์เนี่ยคนละอย่างก็สัตว์นี่เป็นบัญญัติใช่ไหมสังขารเนี่ยหมายถึงความเป็นปรมัาสนั่นเองนะสังขารในที่นี้หมายถึงสังขารธรรมนะแต่หมายถึงสังขารธรรมนี่ก็ล็อกไว้เฉพาะชีวิตตินซีเท่านั้นเพราะในเวลาจะกฆ่าจริงๆนั้นอ่ะต้องมีชีวิตเป็นอารมณ์นะเจตนาที่พรากชีวิตของเขาใช่ไหมให้ชีวิตของเขาเนี่ยตกล่วงไปอ่ะ อาทีนี้เวทนาของปานาติบาตปานาติบาตมีเวทนาเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือโทมนัตเวทนาที่ประกอบในโทสะมูลจิตเพราะฉะนั้นในขณะค่านั้นจิตเป็นโทสะโดยทายเดียวอย่างเดียวเท่านั้นะ่ะเขาจึงบอกว่าแม้แต่พระราชาเนี่ยนะกล่าวว่าเออเอาไปหลับซะเนี่ยคำนี้ก็ชื่อว่าเป็นเวทนาขณะนั้นก็เป็นทุกข์ ถ้าเป็นพระราชาสมัยก่อนนี่เขาสั่งข่าใช่ไหมเอาไปหลับสันะเอาไปหลับให้สบายเหมือนกัแปลว่าหลับช่วนถ้าใช้คำว่าหลับชั่วการเนี่ยนะจะเป็นสมาธิฏฐิข้อไหนคิดเดินนี่นะอัะนนสมมุติว่าเอาเราคิดมาอหลับชั่วการเนี่ยนะเป็นสมาธิฏีิไหมถ้าใช้คํานี้อ่าถ้าถ้าทั่วไปแล้วใช้คํานี้เป็นสมาธิฏฐิไห ม, ไมน่ะนะ ถ้าเป็นชั่วกานนะถ้าตายเลยเนี่ยเป็นอุเฉทททิถินะถ้าใช้บอกว่าไปหลับให้สบายหลับนิรันกาเนี่ยนี่เป็นตระกูลอุเฉทททิถิเอาตายเลยก็ศูนย์ไปเลยอะ่ะเอาก็ตายช่วงนิรันดรก็นนนะรก็คือศูนย์นั่นเองนะตายช่วงนิรันดรก็คือศูนย์แต่ถ้าบอกว่าเออไปเกิดใหม่ซะไปอเอาไปเกิดในภพดีๆอย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะว่าความเข้าใจอาจจะถูกก็ได้ผิด ก, ก็ได้แต่ถ้าสั่งข้าเนี่ยนะ ถึงจะใช้เพราะๆนะผมจะส่งคุณไปเป็นผมจะส่งคุณไปเทวดานะชักปืนออกกันเลยนะเอาอย่างนั้นก็ด้วยโทสะมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงเนียดูๆแล้วก็ข้อสามนะครับโดยเวทนาปาณาธิบาตมีเวทนาเป็นทุกเท่านั้นนะคือมีโทมนัสเวทนาเท่านั้นเพราะว่าขณะที่ทาทำ ก็าบาปทางกายกรรมนั้นโดยทําโดยโทสะมูลจิตสองดวงเจนพานเช่นสมมุติว่าการไปตกปลาเงี้ยพอพอเราตกปลาได้เราก็รู้สึกว่ามันโสมนัสดีใจคล้ายๆอย่างนั้นนะเจนพานมันคล้ายๆอย่างนั้นนะลองลองวิเคราะห์ดูนะครับเวลาเราตกปลาได้เนี่ยโทมนัสหรือเปล่า ไ, ไ, ไม่รู้นะ เหมือนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราตั้งใจปลานาธิบาทหรือว่าเราเราเป็นตัวโลภะยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะตอนที่ตกปลานีนตั้งใจไปตกปลานี่นะก็ไม่เชิงว่าเขาไปฆ่าปลานะคือต้องดูว่าอยากาได้ปลามานะเจตนาที่ไปตกเนี่ยเจตนาเพื่ออะไรใช่ไหมหคือคิดคิดจะเอาปลามาทําไมบางคนเนี่ยตกเล่นถ้าตกเล่นน ะ, ะเพะเภทเบียดเบียนสัตว์นะให้มันกินอมีโยมคนหนึ่งเขบอกเอ๊ ถ้าถ้าเรามีบ่อปลานะเราก็มานั่งตกปลาตกเสร็จนะก็ตกทําไมตกเสร็จเสร็จแล้วถ้ามันกินแล้วก็ปล่อยนะเรียกว่าเบียดเบียนสัตว์ประเภทนี้ประเภทเบียดเบียนสัตว์นะเจตนาฆ่าไม่มีแต่ก็ประเภทเบียดเบียนสัตว์ไปแต่ถ้าหากว่าทั่วไปแล้วเนี่ยเช่นคนไปหาปลูหาปลาเนี่ยเหมือนกับไม่ฆ่าแต่เขาคิดว่าเขาเขาจะเอามาต้มมาแกงอะไรพวกเนี้ยส่วนก็คือเจตนาฆ่านั่นเอง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 เขาบอกว่าเขายิงเนี่ยเขายิงด้วยความสงสารเขาบาปไหมอาจารย์เขาว่าอย่างนี้คืออีกคนหนึ่งยิงใช่ไหมแต่เขาเนี่ไม่ได้เขาเขาไปด้วยกันเขาสงสารมากเลยเชนีตัวนั้นน่ะก็เลยชักปืนมายิงเปรี้ยงเขาตามแล้วก็ถามว่าผมอย่างนี้จะบาปไหมเนี่ยผมยิงด้วยความสงสารเนีาว่างนั้นงั้นในขณะที่เห็นแล้วสงสารเนี่ยหนึ่งขณะแต่คิดไม่อยากให้อยู่ในสภาพแบบนั้นอีกขณะหนึ่งงนั้นคนละขณะกันเป็นตอนตอนไปเขาเรียกว่า กุศลขณะนั้นก็เป็นประตูให้เกิดโทสะในขณะนั้นได้นะโดยปัจจัยคือบอเขาไปซื้อปลามาแล้วก็เห็นก็ว่าเขาทํามันตายไปแล้วอ่ะก็ซื้อมาตอนนี้พอกําลังจะทำเอามาเอาปลาจะมาทําก็ปลากรวดปลาปลามันฟื้นมันดิ้นล้วก็แปลกใจเราเลยก็เลยทุบหัวไปอีกทีให้มันตายให้มันนั่นเลยคือว่าสงสารมันอ่ะอย่างนั้นใช่ไหม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 นั้งเอเรียกว่าที่เราเรียกว่าดูเหมือนไม่มีเจตนาก็คือไม่มีเหตุผลมามาอ้างอิงอ่ะนะหรือจะเอาเหตุผลบางอย่างมาอ้างอิงอย่างเงี้ยคือถ้าวิถีเจ็ดนะทางตากับทางหูอันเดียวกันไ้ยไม่ค่ะอ่ะนะขณะที่มีเสียงเป็นอารมณ์กับมีสีเป็นอารมณ์ก็คนละอย่างคนละอย่างค่ะนั่นแหละขณะที่อยู่ที่ตลาดเนี่ยมันอย่างหนึ่งแล้วนะแล้วกว่าจะไปถึงบ้านเนี่ยชวนะจิตมันเกิดเท่าไราแล้วภาพกว่าคนละภาพแลงานคนคะง่ะแห เพราะฉะนั้นจึงคนละอารมณ์เมื่อคนละอารมณ์เนี่ยนะเราจะฆ่าโดยว่าเหตุผลใดก็ตามเธอโอ้เห็นลูกมาเกิดสมมุติเรามีลูกไหมลูกเกิดมาพิการสงสารมันนะมันเกิดมาจะได้ไม่ลําบากมากมายนะักทำไงนี่คนละตอนกันนะอกุศลก็ตอนนึงกุศลก็ตอนหนึ่ ง, นนงฉะนั้นคําสอนในพระผู้คําสอนในพระพุทธศาสนานะจะแยกเป็นขณะขณะไปไม่เหมาสมมุติว่า เจตนาเบื้องต้นเนี่ยดีแต่วิธีการไม่ดีเพราะว่าเป็นตอนๆไปนะไม่ได้เอามาประมวลเป็นเรื่องเดียวกันหมดนะกุศลอกุศลไม่ได้ประมวลเป็นเรื่องเดียวกันอย่างเช่นว่าในในงานงา น, งานเดียวอะ่ะเกิดล้มหมูตัวนะฆ่าหมูตัวหนึง่งในการฆ่าหมูหนึ่งตัวเนี่ยนะที่ประชุมทั้งหมดเนี่ยบาปไม่เท่ากันบาปอันนั้นของบางคนเนี่ย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 บางคนเนี่ยมีวิริยะเป็นใหญ่บางคนเน่มีการชักชวนบางคนไม่มีการชักชวนนั้นจะไล่เป็นขณะขณะขณะขไปนั่นแหละไม่ได้กล่าวว่าเหตุผลเขาใช้ให้มาฆ่าอย่างเนี้นั้นเราเอาเหตุผลอย่างอื่นมาอ้างไม่ได้เพราะเจตนา น, นั้นนั้นก็คือเจตนานั้นนั้นส่วนในวันก่อนที่กล่าวเรื่องของโจรขาวแดงใช่ไหมก็จะขาดคขาวแดงที่ว่าเออถ้าหากว่าไอ้ที่ฆ่าฆ่าเนี่ยใครใช้ให้ฆ่ามีคนใช้ให้ฆ่าใช่ไหมบอกใช่เออแล้วบาปอยู่ที่ใคร ก็บอกว่าอยู่ที่คนสั่งสิอันนี้เนี่ยท่านพูดเพื่อให้อุบายเปลี่ยนอารมณ์คิดให้เปลี่ยนความคิดแต่ไม่ใช่ว่าคนข้าไม่บาปเพียงแต่ว่าต้องการให้เขาสบายใจเขาจะได้ฟังทำต่อไปได้ น, นักได้ว่ามีเทคนิคนิดหน่อยเท่านั้นเองนะก็เหมือนกับบางคนเนี่ยนะไปที่ ท, ที่ที่ห้างสรรพสินค้าลูกเนี่ยไปเห็นของบางอย่างโหมันร้องไห้จะเอาอะ่ะแม่ที่ฉลาดก็ทำยังไง ลูกโน้นใครอะ่ะพาลูกไปเลย น, น, นั่นใครอะ่ะอุ้มลูกไปเลยนะหนีไปเลยลูกก็งงของก็ไม่ได้เรื่องาเป็นอย่างนั้นเน่ยก็คือเบนประเด็นปะอ่าตรงนั้นก็เหมือนกันภาษารีบุตเบนประเด็นเรื่อง เ, อเพียงให้ให้ไปคิดเรื่องอื่นคือจิตเนี่ยนะจะเศร้ามองหรือไม่เศร้ามองอยู่ที่อารมณ์ด้วยส่วนนึงนะแล้วแต่ว่าเราวิตกถึงอะไรถ้าวิตกอีกอย่างหนึ่งปับ๊บยิ้มทันทีเลยใช่ไหม สมมติถ้าหากว่าคนใจบสนสนทานนึกถึงการทานที่เคยทำมาปั๊บสบายใจเลยคนเนี่ยนึกถึงบาปที่เคยทำมาปั๊บเนี่ยหน้าแย่ๆทันทีเลยมันแล้วแต่อารมณ์นะนึกให้ยิ้มก็ยิ้มอ่ะนึกให้เครียดก็เครียดแล้วแต่เราจะนึกถึงอะไรนะการที่ภาษาลิบุตรมีอุบายอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นความฉลาดนะเป็นยอดของประโยคะเลย มันประโยค่ของภาษาดีบุตรนี่นะช่วยไปยุตให้โจครคลาแดงเนี่ยเกิด<ช>ประโยคะได้<ช>ทําให้ผัดพรอวิบากที่จะได้รับไปไปได้เบาหนึ่งนะเจริญพานแลืออีกสูตรหนึ่งนะมีมีมพราหมณ์คนหนึ่งเขานิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันเป็นคนที่ศรัทธาใหม่ๆในพุทธศาสนาเลยเขาก็นิมนต์พระหมดวัดนั่นแหละไปฉันที่บ้านเอพระเนรเนี่ยก็งงโยมคนนี้เขาเข า, ามีศรัทธาใหม่ในะ ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอาหารพอพระหรือเปล่าก็ไม่รู้ เ, เราบินธบัต์ฉันกันก่อนดีกว่าก็า cash, บินธบัต์ฉันกันก่อนทีนี้ตอนสายๆหน่อยก็พากันไปที่บ้านบ้านออาํที่คนที่มีศรัทธาใหม่เนี่ยทีนี้พอในขณะที่ไปเนี่ยอนะเวลาเขาเอาอาหารเนีนย่นยเอามาเยอะเลยพระก็บอกเอาน้อยๆหน่อยน้อยๆหน่อันิดๆก็บอกกลัวแบบโอ้ยของมีเยอะท่านเนี่ยฮะไม่ต้องกลัวหมดหรอกอนนี้ก็ถามบอกไม่ใช่อย่างนั้นละมาเนี่ยบินธบาต์ฉันมาแล้วก็ว่ากัน โยมเนี่ยโกรธเลยนะกลัวเราจะไม่มีของพอหรือยังไงคล้ายกับเนี้ยนะเลยบอกว่าขอบาทมาตักของใส่บาทเต็มถวาย ห, หมดเลยนะด้วยความโกรธนะทําด้วยความโกรธเสร็จแล้วเนี่ยก็พอเลี้ยงภาพเบ็ดเสร็จมานั่งทุกข์ใจเอ๊ะที่เราโกรธทําบาปหรือเปล่านะอนั่งเสียใจก็ไปหาพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเออที่ข้าพระองค์ยังงั้นเนี่ยบาปไหมพระเจ้าค่าเป็นอคุศลนไหมอะไรไหมพระองค์บอกว่า องไม่พูดเลยนะไอ้ที่โกรธหรือไม่โกรธเนี่ยบอกว่าเจตนาที่ทําบุญกับสงเนี่ยที่มีผลน้อยไม่มีพูดแค่นั้นนะแต่็จแล้วพามก็สบายใจกับบ้านไดแต่ไม่ได้ไอ้โกรธนี่บาปหรือไม่บาปไม่ได้พูดถึงเท่านั้นเองคือบางคนเนี่ยยังไม่อยู่ในฐานะที่พร้อมจะชี้แจงนะแต่ถ้าในชั้นของการศึกษาเนี่ยก็ต้องแยกอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรไปนะเพื่อที่จะให้เข้าใจแต่ถ้าหากว่าเพื่อจะสนทนาเป็นบางเรื่องก็เบนประเด็นสักโดยที่ไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลย นะการไม่พูดถึงเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดกุศลจิตแล้ะ อ, อย่าลืมว่าการศึกษาพระธรรมในในพระพุทธศาสนานะจบนะพอฟังธรรมจบปุ๊บเห็นแจ้งอาถารสมาทานร่าเริงกลับบ้านยิ้มได้สแสดงว่าศึกษาถูกต้องละแต่ถ้าหากว่ากลับบ้านแนละ้วเครียดหนะักเก่าเนี่สแสดงว่าผิดพลาดนะเอ๊อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้เครียดขนาดนี้เลยพอมาฟังธรรมแล้วทําไมมันหงุดหงิดกเก่าเครียดกเก่าสแสดงว่าผิดพลาดแล้วล่ะ อาจจะผิดพลาดเกิดจากผู้แสดงหนึ่งนะสองผู้ฟังตั้งจิตไว้ไม่ดีนะกค็คือเรียกว่าการฟังนั้นก็แล้วแต่ว่าไปฟังที่ใดฟังกับบุคคลใดและบุคคล น, น, น, นั้นกล่าวเป็นธรรมไหมถ้าหากว่าเขากล่าวเป็นธรรมหมดเลยเสร็จแล้วเราก็ยังอกุศลเกิดอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ละใจใครก็ใจใครนะรักษาใจคนเดียวนี่ก็ทุกเด็มทีแล้วนะ ท, ทั้งหลายก็รักษาใจท่านเอากันแล้วกันเดี๋ยวข้าพเจ้าจะรักษาใจข้าพเจ้าเอง <laughs> คือถ้าคิดแล้วเศร้าหมองนะอย่าคิดแต่แต่บางคนเนี่ยนะเขาเวลาเขาประมาทปั๊บเมื่อไหร่เขาจะนึกถึงบาปของเขาเ <Danke> ขาจะได้รีบทํากุศลคือคือการคิดในเรื่องเดียวเนี่ยนะแล้วแต่ใครคิดอ่าบางคนเนี่ยนะคิดแล้วเศร้าหมองไม่เป็นอันทําอะไรสักอย่างเลยนะเศร้าหมองอะถ้าอย่างนี้อย่าไปคิดพยายามคิดที่มันดีๆเข้าไว้แต่อีกคนหนึ่งโอ้ยขี้เกียจเหลือเกินอย่างเงี้ย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 เสียงที่ได้ยินเหมือนกันถ้าฟังแล้วกุศลเจริญควรฟังฟังแล้วไม่กุศลไม่เจริญก็ไม่ควรฟังะ น, นะถ้าหากว่าคิดถึงการฆ่าการอะไรเป็นต้นเรียกว่าธรรมรม น, นะนึกถึงเจตนาที่เป็นอากุศลนั่นะถ้านึกอกุศลเจตนานั้นแล้วกุศลเจริญก็ควรคว ร, ควรคือ น, นึกคือบางคนเนี่ยนะพระสมมุนนะเ ป, เป็นเป็นพระเนี่ยบางองค์เนี่ยเอ๊คล้ายๆกับแบบมันขี้เกียจแล้วนะปล่อยวันปล่อยคืนให้ล่วงไปอย่างเงี้ย เสร็จท่านนึกถึงบาปประกา ร, รบางอย่างที่ท่านทําไปปั๊บมันก็เรียกว่าคล้ายๆกับทํางานนะคนทํางานพอทําไประยะมันก็เหนื่อยใช่ไหมแต่พอนึกถึงไปกู้เข้ามาเนี่ยเขาจะเรียกคืนอีกไม่กี่วันเนี่ยแรงใหญ่เลยอย่างเงี้ยคล้ายแบบนั้นอนะ่ะมันแล้วมันแล้วแต่ใครในอารมณ์เดียวกันนั้นอ่ะแล้วแต่ใครฉลาดคิดแล้วแต่ใครมีโยนิโซะเอาอารมณ์นั้นเนี่ยเพื่อที่จะเป็นสะพานอะไรต่อไปอีกนะเพราะธรรมชาติของจิตหยุดนิ่งแค่อารมณ์นั้นได้ไหมไม่ได้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 ว่าเรามีความเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นบ้างในอารมณ์นั้นเอางี้นะสมมติถ้าเราดูแขนเราเนี่ยเรามีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างวันนี้นะเห็นแขนของเราอย่างเดียวเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นเลยแสดงว่าล้าหลังแล้วกุศลเนี่ยตั้งอยู่เหมือนสาวระเนียดไหมไม่ตั้งนะถ้ากุศลไม่เกิดอะไรเกิดอากุศลถ้าความรู้ไม่เกิดอะไรเกิดอวิชชาเกิด วันถ้าไม่เจริญกุศลพอกพูนขึ้นเรื่อยๆนะอวิชาจะได้ช่องตลอดเลยอวิชาก็จะเกิดในอารมณ์ที่หลากหลายมากเมื่ออวิชาเนี่ยมันเกิดบ่อยๆปุ๊บเสร็จแล้วคนพออากุศลวิบากมันให้ผลเสร็จร้องหาความร้องหากุศลนะแต่แตอากุศลที่ทําไว้นะกลบเกลื่อนหมดทําเป็ น, ปนไม่ทำเป็นลืมอะ่ะร้องหาแต่ผลแห่งกุศลทีนี้เรียกว่าขาดความยุติธรรมใช่ไหมกรรมสกตาไม่ดีพอ นั้นถ้าเราศึกษาเรื่องตามตั๊บเราจะเริ่มยุติธรรมเรียกว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกๆอารมณ์เลยอันนี้แหละเขาเรียกว่าตั้งจิตไว้ชอบที่จะรู้ว่ากายกรรมอันนี้มีโทษหรือไม่มีโทษถ้ามีโทษก็ต้องบอกว่ามันมีโทษเราจะไปบอกว่าไม่มีโทษอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งวจีกรรมที่มีโทษเราไปบอกว่ามันไม่มีโทษนั่นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่ง น, นะชื่อว่าอันนั้นไม่มีผลแต่จริงๆมีผลใช่ไหม นะคําสอนกล่าวว่ามีผลนี้ถ้าหากว่าเราความเชื่อมั่นเราลดลงไปปุ๊บหันกลับไปคืนสารณะของเราว่าสารณะเราว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าอย่างไรในเรื่องนั้นนั้นแล้วก็ตรึกตามธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั่นแหละนั่นแหละและอย่างหนึ่งนะพระธรรมแสดงไว้ยเยอะแยะนะอ่านเรื่องนี้กุศลไม่เจริญก็ไปอ่านอีกเรื่องนึ่งเพราะพระองค์เนี่ยปรุงยาวไว้หลากหลายแต่ถ้าฟังแล้วกุศลไม่เจริญเนี่ยแสดงว่า ขนาดกินยาแล้วก็โรคมันยังกําเริบเลยนะก็ถ้าเป็นคนไข้นะศึกษาพระธรรมแล้วก็โรคมันกำเริบก็เหมือนกับกินยาแล้วไข้มันขึ้นอะ่ะก็แสดงว่าป่วยหมากถ้าป่วยอย่างนี้ทําไงปล่อยให้ตายไหมก็ต้องหายาใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยเพื่อที่จะปรับว่าไอ้มันเหมาะสมกับโรคเราไหมอ่าะนะะการศึกษาพระธรรมในยุคนี้นะข้ะมาเนี่ยซึ่งในจักรวัติสูตรมากชอบคําว่า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 กุศลธรรมที่เป็นโลกิยะและโลกุตระให้เอากุศลธรรมเหล่านั้นเป็นเกาะเอาไว้เสร็จแล้วพระองค์ก็พูดถึงภายในอนาคตว่ามนุษย์ยุคต่อๆไปจะอายุสั้นนจนถึงอ่าเรียกว่ายุคมิขสรรันยีมิขะหรือมรึกแปลว่าเนื้อคนยุคต่อๆไปเนี่ยจะเห็นกันเหมือนกับเนื้อนะเหมือนกับนายนะพรานผู้ไปหาปลามีใจสงสารปลาห ไม่มีคนในยุคต่อๆไปจะเหมือนกันจะมองทุกคนเป็นเหยื่อซึ่งกันและกันนั่นแหละเฉะนั้นความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกไม่มีสักอย่างสมัยนี้ถ้าหากว่าใครที่มีความกระตันยูกะตะเวทีได้รับการสรรเสริญพอไปอยู่ในยุคหน้าเนี่ยใครทําลายพ่อแม่เท่าไหร่จะได้รับเกียรติแทบจะได้ให้โล่เลยนะใครฆ่าพ่อแม่ได้นี่ก็ถือว่าแทบจะให้โล่กันเลยเพะฉนั้นคนเนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่คําว่ากุศลยังไม่ได้ยิน ไม่ต้องพูดถึงการทำกุศลมันคนในยุคต่อๆไปเนี่จะวิบัติเสร็จแล้วพระองค์ก็มาสรนะุปเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอั้นไทยนี่จะมีมาเรื่อยๆจะคืบความมาเรื่อยๆเพราะนั้นคำสอนแม้แต่ตพุทธพจน์บทสุดท้ายก่อนที่จะดับขันปริยนิพพานก็บอกว่าอย่าประมาทใช่ไหมในคาถาธรรมบทบอกว่าคนที่ประมาทคือคนที่ตายแล้วเพราะชีวิตแค่อยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ทีนี้ถ้าเราเป็นคนเหมือนตายแล้วนี่เราก็เป็นเหมือนกับศพเดินได้แล้วชีวิตของเราอะ่ะแล้วเราไปร้องเรียกหาความยุติธรรมที่ไหนถ้าอากุศลให้ผลนะอย่าร้องเรียกว่าคิดว่าคนอื่นจะกรุณาเราเลยนะถ้าอากุศลมันให้ผลจริงๆนะไม่ต้องหาเรียกว่าไม่ต้องร้องเรียกหากรุณาเจตสิกจากสัตว์ทั่วไปเลยเพราะว่าอากุศลมันให้ผลจริงจริงปั๊บเนี่ยนะใครเห็นจะรังเกียจหมดเลยนะก็บอกว่าถ้าบาปมันให้ผลนะไอ้ที่รักก็ชั่งนะ ไอท้ที่ไอ้ที่หายก็ป่วยนะมันนั่นมันก็เรีาผีซ้ําด้ามพลอยมีแต่วิบัติมีแต่จมจมจมจมไปเรื่อยเรเรเรื่นั่นแหละแต่ถ้าหาว่าประโยคน์าวิบัติด้วยไปกันใหญ่เลยนั่นแหละถ้าประโยคน์าวิบัติคือกายประโยคนาที่เป็นบาปวิจีประโยคนาที่เป็นบาปมโนประโยคนาที่เป็นบาปนี่ก็ชีวิตเนี่ยดูจะไปตามกรรมจริงๆฉั้นตรงนี้ใครรับผิดชอบชีวิตของเรานะใครรับผิดชอบชีวิตของเรา มันในสังสารวัตจริงๆเนี่ยเราเดินทางแต่เพียงผู้เดียวมีเพื่อนสนิทอยู่คนเดียวคือตันหะถ้าเพื่อนเราบอกอะไรทําหมดอ่ะตันหาบอกอันนี้นะนี่ยก็เรียกว่าตันหามีลักษณะอย่างกระซิบไงรอบบูรุษในโลกบุรุษเนี่ยมีตันหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปในสังสาร ะ, ะนะท่องเที่ยวทํากรรมท่องเที่ยวรับวิบากทันวิบากที่รับเนี่ยเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากเพื่อนนะบอกทำให้ให้ทําอะ อันนนวิบากกรรมมชรูปเนี่ยมีตันหาเป็นสมุทยัยมีตันหาเป็นปัจจัยมีตันหาเป็นนิทานพอวิบากกรรมมชรูปเกิดขึ้นนะซึ่งเป็นผลของตันหาอาศัยวิบากกรรมมชรูปทำให้เกิดตันหาใหม่อีกเพื่อพบใหม่เพื่อพบใหม่อั น, นั บ, นบูผู้ที่สิ้นตันหาจึงสินส้นชาติสิ้นภพนะชาติสิ้นแล้วพระมรรจันต์อยู่จบแล้วก็คือผู้ที่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 นี้ก็พิจารณาโดยปริญญาเป็นต้นต่อไปนั่นแหละว่าพิจารณาโดยปริญญาเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรและพิจารณาสีโดยสัจจะเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นธรรมวิจัยนะธรรมวิจัยโพชังโคสติสั่งคาโตธรมมนานวิจโยตถาเป็นการวิจัยในอารมณ์นั้นๆอย่างละเอียดละออทีท่วนอันวิจัยรู้ อารมณ์ความเป็นจริงเนี่ยขณะที่วิจัยปับ๊บขณะนั้นจะละสกายยะทิฐิในรูปอารมณ์นั้นได้เสร็จแล้วจะละความสําคัญผิดในเรื่องเหตุปัจจัยของสกายยะทิฏฐิปัจจัยของรูปถ้ารู้ปัจจัยของรูปารมณ์จริงๆจะละความสงสัย16อย่างได้นะละความสงสัยในอดีตในอนาคตนะในปัจจุบันละความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทละความสงสัยในพระพุทธ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 ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติไปก็สิ่งนั้นก็อยู่สภาพเดิมไม่ได้เมื่อปัจจัยแต่ละอย่างเหมือนกับน้ำแข็งใช่ไหมน้ำแข็งเนี่ย้ารักษาอุณภูมิไม่ได้ละลายรูปเหล่านี้ของเราก็เหมือนกันนะรูปปารมณมต่างๆถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเสียหายปับ๊บพร้อมที่จะแปรสภาพเหมือนกับก้อนน้าแข็งเลยมันถ้ารักษาโ ด, โดยปัจจัยสมบูรณ์แบบก็จะหล่อเลี้ยงได้อีกนาน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 จะเข้าใจดีเวลาหมดอีกแล้วครับนะตอนท้ทานีท่านก็ลงมาลงมาลึกๆทุกทีเลยนะก็ผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับคือว่าก็นี่แหละนะครับเป็นเป็นการเจริญธรรมะชั้นสูงอันนี้เป็นการวิจัยธรรมี<ท>มยู่มยกครั้งหนึ่งนะภาษาริบทแสดงธรรมเสร็จแล้วไม่ ตอนจบไม่ประชุมอรรยสัตว์กางเั้นพระพุทธเจ้าตำแหน่อคือกล่าวง่ายๆว่าตอนท้ายท่านประชุมลงในอริยสัตว์ทุกทีเลยธรรมะที่ควรกำหนดรูคืออะไรอ่ะคืออะไรครับทุกขสัตว์